ท่านฟังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสรสนีสนทนาดิฉันสัสนีนาคพง์ดำเนินรายการนะคะเราก็กำลังจะไปถึงช่วงเวลาที่พระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนจะมาตอบคำถามท่านทั้งหลายเปิดทันที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะน้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธวจนะมาตอบคะ่ะจะได้เป็นการมีมีเขาเรียกว่าข้อมูล สนับสนุนที่ถูกต้องมากที่สุดทีนี้ก่อนจะไปถึงท่านเพียบูลฉันขอที่จะพูดถึงข่าวที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของวันฐานผ่านศึกเพราะว่าก็ใกล้จะถึงมากขึ้นทุกวันแล้ววันที่สามกุมภาพันธ์ค่ะถ้าพูดถึงฐานผ่านศึกส่วนใหญ่พูดปุ๊บทุกคนบอกขายดอกป๊อปปี้สีดแดงดงนะคะแต่ว่าดีฉันมีข้อมูลมากกว่านั้นคือ สโลแกนของงานเขาบอกว่าประชาชมใจผ่านศึกทั่วไทยเทิดไทองราชันโดยงานเขาจะมีตอนเย็นของวันที่สองกุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งห้าโมงเย็นเป็นพิธีจุดกระถางไฟแล้วก็วางดอกป๊อปปี้ที่บรรจุอัฐิภายในอนุสารีชัยสมรภูมิไม่ทราบว่าเคยทราบกันหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบเลยนะคะว่าอนุสารีชัยสมรภูมิเนี่ยมีอัฐิของทหารผ่านศึกอยู่ แล้วเขาก็เลยจะมีการจุดกระถางไฟกันเพื่อที่ระลึกถึงความเสียสละของท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะคะในวันที่2ตอน5้าโมงเย็นพอวันที่สตอนเช้า7จ็ดโมงค่ะจะมีพิธีส่งและวางพวงมาลากันที่นั่นเช่นเดียวกันต่อมาตอนเที่ยงทีนี้ไปที่กรมฐานราบที่11จะมีการเลี้ยงอาหารทาหารผ่านศึกแล้วก็มีสินค้าราคาถูกขาย มีเนการสงครามต่างๆตกเย็นสี่โมงเย็นมีพิธีสวนสนามค่ะดิฉันต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่นำเอามาพูดนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเป็นพี่ที่เคารพไปเป็นผู้บริหารอยู่ที่นั่นและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากกว่านั้นมากนักดิฉันมีความเคารพนะคะในทุกชีวิตที่ได้เสียสละไปเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแบบฐานหารทั้งหลายนะคะก็จึงนำมาประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วก็จริงๆแล้วเคยมีประสบการณ์เวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการให้ความสำคัญอย่างมากนะคะว่าถ้าเราเป็นแขกไปเยือนอย่างเป็นทางการจะต้องมีการไปวางพวงมาลา กันที่บริเวณอนุสาวรีย์ทำนองนี้กันด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลียเป็นต้นแต่ประเทศไทยเราก็อาจจะแสดงความเคารพด้วยการนั่งรถเมล์ผ่านกันทุกๆวัทุกๆบ่อยอยู่ใจกลางเมืองอยังไงอย่าลืมนึกถึงกันแล้วกันนะคะว่าไม่ใช่เป็นเพียงวงเวียนให้วนรถแต่ว่ามีความหมายมากกว่านั้นคะ่ะเราก็มาถึงเวลาที่จะได้พบกับพระอาจารย์แล้วนำ้ำมกาญญาท่านครับจาเจนิฟานก็ขอเวลาในการที่จะประกาศข่าวที่ดิฉันคิดว่า น่าสนใจนะคะแต่าคิดว่าอย่างนี้ทุกคนก็เป็นนักรบนั่นแหละค่ะพระพุทธชาพูดถึงพระก็ตามหรือว่าครวาวที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยใครก็ตามนะที่ชนะความโกรธชนะตัวเองได้เนี่ยชื่อว่าชนะสงครามอันใหญ่คุณออกรบอยู่แล้วคุณรบกับกิเลสตัวเองรบกับความไม่ดีในภายในรบกับอาการที่จิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นท่า นะรบกับเค้าให้เขาออกมาเป็นคนดีอย่างนี้ถ้าท่านพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าบางคนมีสงครามทุกวันเลยนะคะสงครามในใจเนะะี่ยค่ะเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเดินตามมักแปดพระเจ้าจึงให้มักแปดเนี่ยเอามาเป็นอาวุธนะให้กองพลมากองพลในกองช้างกองมา้ากองธาตุกองไฟยุทธการไฟมีหมดนะัคือความเพี่ยนเอาความเพียนไปเป็นกองพลเอาอาวุธไปอาวุธคือดาบโล่เกราะหนังต่างๆเนี่ยคือสุดตะ คือธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นอาวุธในการออกรบอ่าแล้วก็มีหลายอย่างมากนี่เป็นผู้ทวจนะใช่เป็นพูทวจระโอ้ค่ะนะคะก็นึกว่ามีแต่เฉพาะดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ตามอนุสาวรีต่างๆเท่านั้นที่เป็นนักรบผู้กล้านี้แล้วก็อย่างในเมืองเนี่ยถ้าเราสั่งสมพวกหญ้าไม้อะไรต่างๆไว้น ะ, ะอ่ามีข้าวมีน้ำเยอะเนี่ยจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยเวลาเขาล้อมตีล้อมเราเนี่ย เรไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีอาหารพระเช้าเปรียบเทียบตรงนี้ไว้คือฌานคือสมาธิทั้งหมดนเปรียบเสมือนกับเราสังสมเสบียงเอาไว้อ๋อค่ะกล่องพระาธิการไว้งช่งินเถอะแม้เดิฉันคิดถูกเลยที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยได้ทราบพุทธวจนะที่ดิฉันไม่เคยทราบมาก่อนใช่นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าอยากจะให้ท่านพูดต่อต้องการจะให้ท่านพูดต่อในรายละเอียดซะแล้วเพราะว่าน่าสนใจมาก ที่มนุษย์เราจะต้องเป็นนักรบแล้วก็รบกับไอ้ความไม่ดีไม่ดีของตัวเองใช่เรียกว่ารบกับกิเลสรบกามานกิเลสนี่เปรียบกับศัตรูตัวฉกาจเลยใ ช, ใช่ไหมคะเรื่องนี้พุทธเจ้าพูดไว้หลายที่มากเลยพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับเท้าสักกิ์ก็เหมือนกันหมายถึงเทวดาที่เป็นพระอินทร์เนี่ยนะพูดเรื่องเกี่ยวกับภิกษุที่เปรียบเหมือนกับนักรบอาชีพนะที่ไปรบและตายกลางสนามรบก็มี S <S นะหรือว่าตับกลับมาตายที่ฐานก็มีหรือยังตายระหว่างทางยังไม่ถึงฐานก็มีนะแล้วก็เปรียบเทียบกับเมืองเมืองหนึ่งที่ถูกเขามาตีนะการที่ถูกเขามาตีเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้าง <S <S นะมีทั้งเสาระเนียดเอนะไว้สำหรับขึงนะกาแพงคูทางเดินรอบกาแพงต่างๆนี้เปรียบเทียบไว้หมดนะถ้าจะลงรายละเอียด ก, ก็คือพระเจ้าเปรียบเทียบคูเนี่ยเหมือนกับฮิริ ค่ะคูคูกั้นกั้นเมืองระหว่างคนจะมาตีเนี่ยเขาต้องลงหลุมลงคูสมัยก่อนเขานิยมที่จะขุดคูเอาไว้ก็คือฮิริคือความกลัวต่อบาปค่ะทางเดินรอบทางเดินรอบคูเป็นเหมือนตะโอตะปะคือความละอายต่อบาปค่ะเสาระเนียดคือเสาที่ปักเอาไว้ไว้สำหรับขึงแขว้นอะไรต่างๆเนี่ยคือสัตหการตรงนี้แล้วก็พูดถึงอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อาวุธ นะอาวุธสั่งสมไม่เป็นอันมากก็คือพวกสุดตะต่างๆนะทรงสุดตะสั่งสมสุดตะนะคือทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่าำกลางที่สุดอย่างนี้ก็คือเป็นสุดตะแล้วก็ยังมีปัญญาเอา่ยยังมีปัญญาคือกําแพงแต่กำแพงเนี่ยต้องฉาบและทาฉาบแล้วก็ก่ออย่างดีฉาบและก่ออย่างดีนี่เรียกว่ า, าถึงเรียวกว่าปัญญาเป็นปัญญาค่ะ แล้วในเมืองเนี่ยยังต้องสั่งสมหญ้าไม้กิ่งไม้เอาไวนะ้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอันนี้เปรียบกับชานที่หนึ่งนะนอกจากนั้นยังต้องสั่งสมน้ําไม่เป็นอันมากนี่คือชานที่สอง <Okay. S 1> แล้วก็พูดถึงชานที่สี่นะคือเรื่องของเพสัตชนะมีเนยใส่เนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยแล้ว ก, ก็เกลือนะอ น, นี่คือเพสัตชที่ให้สั่งสมไว้มากๆ <Okay. S 1> เ, าเหล่านี้แล้วก็ มีเรื่องของความเพียรนะคือกองพลกองพลเนี่ยจะมีกองช้างกองม้ากองรถพลเดินเท้ากองยุทธการไฟกองโล่หนังกองธาตุกองพลทการกองพยาบาลต่างๆเหล่านี้มีหมดแล้วก็เปรียบเหมือนกับซึ่ง เปรียบเหมือนกับมีนายทวารมีนายทวารที่ให้ให้คนที่รู้จักเข้าคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้านั่นคือสติแล้วก็มีปัญญาก็คือกำแพงนั่นเองถือว่าเป็นอุปมาที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าปฏิบัติดังนี้ได้ผลคืออะไรคะท่านคะผลก็คือสามารถที่จะก้าวลงสู่นิพพานได้เป็น เป็นผู้ที่มานผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ค่ะเท่ากับว่าอุปมาอุปไมยในเรื่องที่จะให้พวกเราเนี่ยได้สมมุติตัวเองว่าเป็นนักลบรบกับกิเลสของตัวเองนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะใช้ความเป็นนักรบของท่านปราบกิเลสให้หมดเพื่อที่จะไปถึงปลายทางคือพระนิพพานใช่ะค ะ, อ, ะอาวุธที่ใช้เนี่ย ก็คือเปรียบเหมือนกับปัญญาเป็นดาบที่ไม่มีอาสะวะไหนที่จะตัดไม่ได้จะเริ่มต้นสะสมอะไรก่อนคะเนี่ยคือขุดคูก่อนไหมที่คือฮิริ อ, อ๋อ ต, ต้องตั้งเสาเก่อนตั้งเสาระเนียตก่อนตั้งเสาเนรเนียตก่อนค่ะนะเสาระเนียตเป็นศรัทธาจะคือศรัทธาค่ะเสาระเนียตนี่มีลักษณะยังไงค่ะมาไปค้นคว้ามาเนี่ยพบว่าเป็นเสาที่เสาหินทั้งแท่งไม่มีอรอยต่อค่ะนะมีสูง ยกตัวอย่างว่าสูงสักสิบหกศอกฝังลงไปในดิน8ดศอกโผล่ขึ้นดิน8ดศอกขนาดนี้นะแล้วก็เป็นเสาที่ฝังไว้อย่างดีไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนแะเป็นเสาที่สามารถใช้งานได้ศรัทธาเนี่ยต้องมั่นขนาดนั้นอันนี้คือประการแรกประการแรกประการถัดมาอย่างที่สองต้องมีคู่ร้อมรอบทั้งลึกและกว้างคูเลยค่ะคูเนี่ก็คือหิริ แนะละละอายต่อกายว่าจาใจอันเป็นทุจริตค่ะหลังจาก น, นั้นเนี่ยก็มีทางเดินโดอ uh, ทางเดินโดยรอบนะคือทางเดินระหว่างกําแพงกับขูค่ะเชิงเทินเดินรอบเนี่ยทั้งสูงและกว้างนะบางเมืองเขาก็ออกทางเดินอยู่บนกําแพงอย่่างี้คะกําแพงมีทางเดินได้เปรียบกับอะไรนะคะเนี่ยท า, ทางเดินเปรียบกับโอตาปะคือความกลัวต่อบาปค่ะ หลังจากนั้นต้องสังสมอาวุธไว้นะอาวุธนี่มีทั้งที่ชนิดไว้สับใกล้ตัวหรือสับไกลตัวอาวุธที่ยิงก็มีอาวุธที่เสียบก็มีอย่างนี้นะใช้ประรหารใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เปรียบเทียบกับคนที่มีสุดตะมากทรงสุดตะสั่งสมสุดตะนะคือทําเหล่าได้งดงามในเบื้องต้นทํากลางที่สุดอย่างที่เราแสดงอยู่ในราการนี้แล้วต้องสั่งสมพวกต้องมีพวกมากต้องมีกองพล กองพลตรงนี้คืออะไรคืออย่างในเมืองเนี่ยเขาจะมีกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าพลธนูกองพราธิการกองไฟต่างๆเนี่ยเราต้องมีความเพียรเป็นพระกายค่ะใช้ความเพียรเป็นพวกประการที่5้าใช่ะะแล้วก็จากนั้นนะมีมีกําแพงต่างๆต้องมีนายประตูะนายประตูเนี่ยต้องฉลาดนะคนนี้รู้จักให้เข้าไม่รู้จักไม่ให้เข้านะก็คือมีสตินั่นเองเป็นนายนประตูค่ะ แล้วต้องมีกำแพงกำแพงเนี่ยต้องสูงและกว้างนะสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบค่ะนะตรงนี้ก็คือมีปัญญานั่นเองนะเป็นปัญญาไม่ใชป่ปัญญาทั่วไปนะเป็นปัญญาอันเป็นอรยะเป็นเครื่องชํำระ ก, กิเลสค่ะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบและหลังจากนั้นพระองค์ก็พูดถึงฌานทั้ง4นะอันแรกฌานที่1เนี่ยก็คือพวกหญ้าไม้น้ำนะคือฌานที่1นค่ะฌานที่2ก็เปรียบเทียบกับข้าวสาลีข้าวยาวะ อันนี้ไว้กินได้พวกหญ <Okay. S 1> ้าไม้น้ําเนี่ยหมายความว่าถ้าอะไรต้องจุดไฟก็มีหญ้าใช่ไหม <Okay. S 1> ต้องซ่อมแซมต่างๆก็ยังมีไมนะ้อันที่สองนี่เป็นสิ่งที่กินได้คือข้าวสารีะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็อันที่สามคือชานที่สามเนี่ยคือมีอปรณชาติคือของที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยนะเป็นถั่วเขียวถั่วราชมาศพวกนี้แล้วอันที่4เนี่ยเป็นยารักษาโรคนะเป็ น, นเนยใสยน้ํามันน้าพึ่งน้ําอ้อยแล้วก็เกลือนะเปรียบเทียบกับชานที่สี่ผู้ที่มีอย่างนี้ นะรักษามเมืองอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่ามารผู้มีบาปทำอะไรไม่ไดค<ะ>้คือตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนเมืองนะแล้วก็มีจิตของเราเป็นเจ้าเมืองมีกายทั้งสี่ท่าสี่ยกายเนี่ยเป็นเป็นทางที่เข้าไปสู่ตัวเมืองได้อย่างนี้<ะ>อันนี้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ามารผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้นะปก ชนะสงครามได้วางนั้นเถอะค่ะเท่ากับว่าถ้าไม่อยากให้มารผู้มีบาป ท, ทำอะไรได้ต้องสมมุติตัวเองเป็นนักรบจะว่าไปที่จริงท่านบอกว่าให้เป็นเป็นเจ้าเมืองเป็นการป้องกันเมืองนะคะแล้วก็จะต้องจำหลักอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของศรัทธาหรือเสาระเนียดที่บอกว่าจะต้องฝังแบบแน่นหนาเลยฝังไปในดินก็ลึกโผล่ขึ้นมาก็ พอๆกันกับที่ฝังไว้ในดินแสดงว่าฝังลึกมากนะคะฝังลึกเท่ากับที่โผล่ขึ้นมาค่ะก็ไ ม, ม่เพื่อจะไม่ต้องหวั่นไหวไม่คลอนแคลนศรัทธาในที่นี้คงศรัทธาในพระพุทธศาสนาถูกไหมคะศรัทธาในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคบทชนะเนียบมากค่ ะ, อ, ะอ๋อค่ะว่าพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพรราช น, นะคะแล้วถัดจากนั้นถึงจะไปมีความละอายต่อบาหิริหรือเปรียบกับคูน้ํา แล้วจึงค่อยไปมีความกลัวกลัวบตวบา่าตบ่ใช่คือโอตปาตปาหรือว่าทางเดินระหว่างกำแพงกับครูนั้นแล้วค่อยมามีประการที่สี่คือสะสมอาวุธใช่มีประการถัดมาคือสะสมกําลังพลมีพวกมากคือความเพียรต้องขยันมากๆฮะใช่ต้องไม่ท้อไม่ถอยกลับเป็นพลักายค่ะแล้วค่อยไปมี ทวารเป็นนายทวารมีมนายทวารที่ดีถูกต้องมีสตินั่นเองจากนั้นจึงไปข้อที่เจ็ดมีกำแพงคือปัญญาเหรอคะทั้งสูงทั้งกว้างสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบสมบูรณ์ด้วยการก่อและการปัญญานี่สมบูรณ์นี่แปลว่าปัญญาต้องยิ่งยวดยิ่งยงเออเป็นปัญญาอันเป็นอริยะเพื่อให้เพื่อให้เป็นเป็นไปเพื่อการชํำระ ก, กิเลสนะคะเป็นปัญญ า, าชั้นอริยะ<ๆ>เลย ต้องการเกิดดับเท่านั้นเองสั่งดูเหมือนยากแต่ว่าท่านไปบูญพยายามพูดให้ง่ายว่าเห็นการเกิดดับใช่ประการที่แปดต้องมีอะไรไม้นะคะเนี่ยย่าไม้ห้าย่าไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ย้าไม้หรือน้ําค่ะชานที่หนึ่งที่สองใช่ไล่ไปนะคะแล้วก็ชานที่สามก็เป็นพวกอะไรที่มันละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนึงของกินที่ประณีตขึ้นของกินนะคะ แล้วก็มาประการที่สี่สุดท้ายคือเป็นยาพวกยาค่ะมียาเป็นชานที่สี่ใช่นี่ก็จะทำให้มารผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้เป็นการก้าวลงไปสู่นิพพานได้<ช>สืบเนื่องมาแต่วันฐานผ่านศึกทำไมมาถึงเรื่องนี้ที่พาไปสู่ การไม่เกิดได้เลยนะคะก็ใช้เวลามาพอสมควรทีเดียวค่ะเราได้ประโยชน์มากนะคะในวันนี้จากท่านอาจารย์ภัยบูลอภิปุลโนในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนมัสการขอบพระคุณท่านค่ะ้าจาริ์พรนค่ะสำหรับ ท่านที่อยาถามคำถามไปที่พระอาจารย์เพรบุลนะคะก็เพียวธรรมะ .com/106 หรือที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะ022690006ส่วนการเปิดรับฟังนะั้นนอกเหนือจากที่นี่แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติวันนี้พุทธวสวสดีคะ่ะ